ไม่ต้องการรูปประจานเห็นโทษของรูปประชานเพราะรูปประชานทั้งหลายก็ยังเกี่ยวข้องกับรูปปฏิฆาสัญญาเห็นโทษกับแม้กระทั่งประสาทสัมผัสเรียกว่าจากักขูวิญญาณโสตวิญญาณไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการรู้กลิน่นรู้รสไม่ต้องการรับกระทบโทธภธพภะเพราะฉะนั้นจะต้องกำจัดไอทวิปัญจ์ออกไป ไม่ต้องการทวีปัญจไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการรู้กลิน่นไม่ต้องการรู้รสไม่ต้องการรับกระทบสัมผัสที่เรียกว่าปฏิฆาสัมผัสในทวารทั้งห้าขจัดออกไปและไม่ใส่ใจนานาตตาสัญญาละนานาตตาสัญญาบอกความนึกคิดในโลกเนี่ยตัดออกไปไม่ต้องการคิดเรื่องโลกนี้โดยประการทั้งปรวญขจัดความคิดเกี่ยวกับเรื่องโลกออกไปให้หมดนั่นแหละจึงจะเอ ใส่ใจในอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เจริญอากาศสานานจา ย, ยตนะสมาบัติได้คิดว่ารูปก็ไม่เอาจิตเจตสิกที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องมีรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่เอาสร้างกุศลธรรมให้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูปนะไม่ต้องมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีกระสินมีอากาศที่เกิดจากการเพิ่มกสินไม่ใช่อากาศสรูปนะแต่เป็นอากาศที่มาจากการเพิ่มกสินอากาศอันนั้นไม่ใช่รูปนะเป็นบัญญัติกรสินลูกคาติมาอากาศเป็นบัญญัติซึ่งไม่ใช่รูป มันก็ตัดแม้กระทั่งเรื่องรูปออกไปทั้งหมดตัดความรู้สึกนึกคิดที่ผัวพันกับรูปออกไปทั้งหมดออกไปได้จึงจะเข้าอากาศสารนันใจยตนะรได้นี่ในระดับสูงอีกถ้ายังใส่ใจในอากาศอยู่มันก็ยังใกล้ต่อรูปเพราะอากาศอันนั้นมันมาจากการเพิ่รูปเพรา ะ, ะนั้นทำไงดีจะต้องไม่ต้องใส่ใจในอากาศมากาหนดตัวจิตนั่นแหละกาหนดตัวอากาศนั่นแหละเป็นอารมณ์ เพื่อที่จะละไอไอจิตที่ม well ีอาการเป็นอารมณ์กําหนดเฉพาะจิตที่มีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าวิญญาณัญญายาตนะก็คือมีอากาสารัญญาญาตนะเป็นอารมณ์ก็กําหนดอยู่นั้นแ่ะก็ใส่ใจเจริญจนจิตเป็นฌานได้ก็เป็นการเจริญวิญญาณัญญายาตนะบอกไม่ต้องกานไม่ต้องการระดับล่างแล้วนะทีนี้ในเกียรติกันหล่งนั่ก็ออกไปก็บอกว่าถ้ายังมีจิตเจตสิกเป็นอารมณ์มันก็ยังหยาบอยู่นะ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 เพราะว่าถูกตัดออกไปไปมีแต่วันนัทถิภาวะนัทถิภาวะภาวะที่ไม่มีอะไรบางพวกเข้าใจว่าจิตที่เป็นอากินนี่เป็นอ่าเป็นมรนัทถิภาวะเป็นนิพานก็เข้าใจว่านัทถิภาวะนั้นเป็นนิพานนิพานไม่ใช่นัทถิภาวะภาวะหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีไม่ใช่นัทถิภาวะแต่สมัยใหม่เนี่ยเข้าใจนิพานเป็นนัทถิภาวะซึ่งไม่ใช่นัทถิภาวะ แต่ว่าสมัยอาราดาบทสำคัญว่าเป็นอุธกะดาบทนะอุทกาดาบทรามาบทอาราลดาบทกาลามาโคตอาราดาบทใช่ไหมคนแรกอรารดาบทเขาเข้าใจว่านัพถิภาวะนี่แหละเป็นนิพพานเนี่ยนะพนมัค ก, ก็คือจิตที่เข้าถึงอากิญจัญญายตนะนั่นแหละเป็นมัคพัน ่บางคนเนี่ยนะในโลกของความคิดของเขาเนี่ยบางทีบอกว่านิพานไม่มีอะไรนัตถิกินจิต ห, หนึ่งก็ไม่มีว่างไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอันนั้นก็เข้าใจพลาดยังไงก็คิดยังไงก็คิดไม่ถูกเสร็จ แ, แล้วก็เข้าใจว่าไ อ, ไอ้อากินจันยายตะนะนั่นแหละเป็นนิพานบอกไม่ใช่อบางคนระดับสูงบอกว่ามันมีอย่างอื่นอีกก็มากําหนดจิตที่มีนัตถิภาวะเป็นอารมณ์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 ก็ถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยรับที่นี้สอนว่านิพพานเป็นเช่นนี้แรละถ้าเกิดมาสมัยนี้นะเอาอประโลกตัวเองว่าเป็นพระอรหรันต์ก็คนก็โอ้ยอย่าเชื่ออยู่แล้วให้นอนในโรงธรรมดาเขายังเชื่อเลยทีนี้ถ้าย้อนกลับมาว่าพระพุทธศาตน์เนี่ยนะไปเรียนรับที่ทั้งหลายเหล่านี้กับพระพุทกับอาลาละดาบทุตกะดาบท์พอฟังปั๊บเนี่ย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 แล้วก็ไม่ใช่阿าระดาบทอุตกาดาบทเท่านั้นที่มีความเพียรในการปฏิบัติแบบนี้แม้เราก็มีความเพียรไม่ใช่อราระดาบทอุตกาดาบทเท่านัธธ้นที่มีสติแม้เราก็มีสติไม่ใช่เขาเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิไม่ใช่เขาเท่านั้นที่มีปัญญาในการเจริญฉันก็มีปัญญาเพราะก็มีความเชื่อมั่นแบบนี้ก่อนนะมีความเชื่อมั่นก่อนว่าเราเองก็สามารถปฏิบัติได้ แต่อย่างคนสมัยนี้บางคนก็บอกว่าเออเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าจะได้บรรลุบัคพลได้แต่ก็ศึกษาไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนแต่ว่าต้องต้องมีศรัทธานะาเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเจริญได้บรรลุได้ปฏิบัติได้อันนั้นก็นาวิสาขาอายุเจ็ดขวบยังเจริญได้แต่ปัญหาว่าท่านบรรลุอะไรอรือไงเดี๋ยวขอขอศึกษาก่อนอ่างั้นเนีอยชั้นใดก็ดีการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะว่าเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่ดูหมิ่นตัวเองไม่ดูถูกตัวเองเนี่ยนะ คนที่ดูมูทูดูถูกตัวเองนะว่าไง ก, ก็เราอามันอ้างเหตุผลอธิบายได้ว่าฉันต้องเลีวต่อไปก็แล้วกันอย่างนั้นเถอะกลุ่มนี้แหละเขาเรียกว่าดูถูกตัวเองเลยนะคืออธิบายได้ว่าฉันแก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญไม่ได้ขออนุรักษ์นิยมแบบนี้ตลอดไปเนี่ยนะมันเตะที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันก็ดีดีกว่าเก่าเยอะเป็นต้นก็พอละที่จะเป็นเช่นนี้แค่นี้เนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าดูถูกตัวเองบางทีก็ดูถูกพระธรรม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 แบบค้ายๆที่เขาพูดว่าอะไรนะอังุนมันเปรี้ยวกอกตัวเองไม่มีปัญญาซื้อบอกมันเออองุนลูกนี่มันเปรี้ยวแน่นอนเพราะฉันไม่มีเงินซื้ออ่ะมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วแหละมันไม่ดีหรอกนี่ก็ลักษณะเดียวกันบางคนบอกถ้าทำนี่ยากเกินไปเรื่องนั้นยากเกินไปปฏิสัมพัที่ทำมักยากเกินไปไม่เรียนดีกว่าเออแล้วก็ทำอะถ้าไม่ศึกษานะเชื่อไหมมันยากกว่าเก่าเยอะถามบอกว่าเรียนพระธรรมแล้วเนี่ยนะพระธรรมเนื้อหารายละเอียดที่ลึกซึ้งอ่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกมันไม่ยากใจหรอก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 พวกนี้มันเป็นธรรมะที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในเบื้องแรกเลยให้รู้ว่าผิดรู้ว่าถูกเพราะความรู้ผิดรู้ว่าอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐนะินี้เป็นบุญเป็นกุศลหนักหนาแล้วที่แยกเป็นเนี่ยนะแยกระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิออกได้เนี่ยเป็นบุญมหาศาลแยกสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะออกจากกันได้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 อสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะแยกอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าแยกบาปออกไปได้เท่าไรอจําแนกเป็นบุญได้เท่าไหร่เราก็เก็บเอาแต่สาระเนี่ยนะเรียกว่าแยกเพชรกับแยกกรวดออกได้แล้วก็เลือกเอาเก็บแต่อะไรอันนะเลือกเอาเก็บเอาแต่เพชรคงงไม่เลือกเก็บเอากรวดใช่ไหมฉันใดก็ดีองค์มัชทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าแยกสัมมาอาวาจากับมิจฉาวาจาระก็เลือกพูดเอาแต่สัมมาวาจาเพราะมีวิธีพูดให้เป็นสัมมาวาจาตั้ง มากมายแล้วก็กล่าวว่าสัมมาวาจาเป็นการกระทําก็เป็นสัมมากรรมันตะแล้วก็อาชียพที่ประกอบก็เป็นสัมมาอาชีวะแล้วความเพียรพยายามเนี่ยนะเราก็จะแยกเป็นว่าเอาอันนี้เป็นสัมมาวายามะนี้ไม่ใช่สัมมาวายามะการแยกว่าอะไรเป็นสัมมาวายามะเรียกว่าแยกว่าขยันโง่กับขยันถูกเนี่ยนะขยนัขยนแบบฉลาดขยันแบบโง่โงเนี่ย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 สติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานอย่างเงี้ยมันเจริญต่อไปได้อย่างไรอ่านะถ้าวินิจฉัยได้อย่างนี้นี้เป็นสัมมาสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธินี้เป็นสัมมาญาณนี้เป็นมิจฉาญาณแล้วนี้เป็นสัมมาวิมุตินี้เป็นมิจฉาวิมิจฉาวิมุต tn ี่รู้ถูกนี้รู้ผิดนี้เข้าใจถูกนี้เข้าใจผิดนี้หลุดบรรลุถูกนี้บรรลุผิดถ้าบรรลุแบบนี้ถูกต้องบรรลุแบบนี้ผิดพลาด แยกอย่างนี้ได้นี่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเป็นมรรคข้อที่หนึ่งเป็นมัชชีวาปฏิปทาเนี่ยนะฉั้นใดแน่นแม้กระทั่งธรรมะที่ที่เราเรียนตอนนี้ก็เหมือนกันว่าแยกว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วเนี่ยนะ